ขอความเจริญในธรรมจุ ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอการบําเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัตวร์รูมาตามลำดับก็มาถึงจุดที่ทรงสุบินนิมิตห้าประการซึ่งเป็นสัญญาณว่ารงจะได้สัตวร์รูอนุตตรสมาสมโพธิญาณ แล้วก็มีกลุ่มคณะบุคคลในวรณะตต่างๆเข้ามาเคารพนับถือพระองค์พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยลาบสักการะเป็นนั้นมากแต่ว่าไม่คล่องติดอยู่ในลาบสักการะเหล่านั้นในตอนเช้าของตอนกลางคืนที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อสัสรูนั้นท่านบอกว่า ในสมัยนั้นมีธาริกาชื่อสุชาดาบังเกิดในเรือนของเซนานิกุตุมพีในตำบลรุเวลาเซนานิคมเจริญไวแล้วก็ได้ตั้งสัตยาทิฏฐานกับต้นสายว่าถ้าข้าเจ้าได้ไปสู่เรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันหนึ่งได้บุตรชายในคันแรกหนึ่ง พระเจ้า จ, าจะทําพีกรรมโดยบริจาคทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทุกๆปีมาบัด น, นี้ความปรารถนาทั้งสองอย่างนั้นของนางสําเร็จแล้วนางจิงประสงค์จะทําพีกรรมในวันเป็นเดือนหกนางคิดว่าจะทําพีกรรมในเช้ า, ชาสูงตัวนี้เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทางสังคมทางความเชื่อถือทางลัทธิาศาสนาที่มีอยู่ในยุคสมัยตรงนั้น ในการต่างๆที่เกี่ยวกับการบวงสวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนพึงประสงค์นั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ตามในหมู่มนุษย์แต่ว่าก็มีมาจนถึงในขณะนี้เราจะพบว่าแม้แต่ตำนานท้าวสงกรารเรื่องธรรมบาลกุมารล้วก็มีลักษณะความเชื่อแน่นี้หรือทานเศรษฐีนั้น ไปบนบวงสูงกเทวดาประจำต้นใสอันนี้ก็ต้นใสเหมือนกันนะวราขอให้ได้ลูกชายแล้วก็จะทำพิธีกรรมวงสวงต่างๆและในที่สุดทั้งก็ได้ลูกชายหรือว่าในอันตรกาธรรมบทตรเรื่องพระจักคุบานก็ได้กล่าวถึงเศรษฐีมีทรัพย์มากคนหนึ่ง เรียกว่ามหาธโนมีทรัพย์มากมหาโพคมีโพคะมากอปุตโกแต่ว่าไม่มีบุตรก็ปรารถนาที่จะได้บุตรสืบต่อสกุลก็ไปทำพิธีกรรมบวงสรวงกับต้นไม้ซึ่งเป็นเจ้าป่าแล้วก็ต่อมาก็ได้บุตรคือแทนที่จะได้คนเดียวก็ได้ถึงสองคน พลนทํานองแนวอธิษฐานในลักษณะนี้แม้ผนางสิทธิ์มามายาประทับในลักษณะนั้นการไปสู่สกุลสามีตั้งแต่วัยอย่างสาวและสกุลเสมอกันนั้นเป็นความปรารถนาของสตรีที่มีสกุลสูงคือไม่ใช่สตรีที่มีสกุลต่ำ เพราะถ้ว่าสกุลต่ำก็ปรารถนาสามีที่มีสกุลสูงหน่อยเพื่อจะได้ช่วยกันยกสถานะขึ้นแต่ว่าสตรีที่มีสกุลสูงนั้นก็ไม่ปรารถนาการตกดต่ำเดี๋ยวก็มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือในเรื่องที่เกี่ยวกับวันรณะด้วยเพราะว่าระบบวนธรรมนั้นเป็นคล้ายๆกับเป็นกนติกาเป็นกฎเกณฑ์ภายในสังคม ที่ทุกคนถ้าแหลมออกไปก็จะถูกสังคมรังเกียจเดี๋ยวฉันไม่สามารถจะได้สถานะภไยในสังคมได้ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะนางก็ตั้งความปรารถนาเรื่องในที่สุดก็ได้ไปเสกุลสู่สกุล ส, สามีที่สกุลเสมอกันแล้วก็ในวัยที่อย่างสาวนึกถึงความปรารถนาในลักษณะเหล่านี้ค่อนข้างจะสากลนะนะ คือทั่วไปแก่คนทั้งหลายเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงนางวิสาขาเคยสอบถามพวกเพื่อนฝูงที่ไปร่วมสมาทานศีลรักษาบสตรสดด้วยกันว่ารักษาโบสตรสนั้นเพื่ออะไรก็ปรากฏว่าวัตถุประสงค์ต่างกันโพกสาวรุ่นต้องการจะไปสู่สกุลสามีตั้งแต่ไวอย่างสาวอยู่ ผู้ต่วแต่งงานแล้วก็ต้องการลูกชายวัวปีเผื่ที่มีลูกแล้วก็ไม่ต้องการให้สามีมีเมียน้อยผืที่อายุมากกว่านั้นก็ต้องการใจลูกต้าอยู่ในอกวาดมีความเจริญก้าวหน้าไอ้ที่แก่ขึ้นไปก็ต้องการให้ตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความปรารถนานั้นจะมีความข้องเกี่ยวอยู่ในภพนะั้น ต้องการสิ่งที่เราเรียกอิทธิผลคือผลที่เราต้องการปรารถนาเพราความคิดแบบนางสุชาดาจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะตรงนั้นแต่ว่าสาธารณ์ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายเราจะเห็นว่ามีลักษณะบงสวงอ่อนวอนขอร้องไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะที่พระบวสถิวัดประวัณนิเวศนิหารเนี่ยพระประธานกับหลวงพ่อจินทสีเขาเชื่อถือกันนะฮะ ก็เชื่อถือ ก, กันแล้วก็ร่ำลึกกันว่าใครไม่มีลูกเนี่ยเอาบัวขาวไปบูชาท่านแล้วก็ติดฐานตั้งความปรารถนาขอบุตรคือจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่ก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าดอกบัวขาวนี่ไม่เคยขาดที่พระบัวสถวัดประวรัตมามาอยู่ที่วัดประวร์นี่สามสิบกว่าปีแล้วแล้วเขาก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เรามาอยู่ใหมๆ่ๆ แด้มีคนบางคนมาอ้างตัวว่าเขาเป็นลูกหลวงพ่อจิตนสีแล้วก็เล่าตำนานเหล่านั้นให้ฟังทีนี้ความเชื่อถือเหล่าเนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามมันเป็นกระบวนการของผะสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบนะเราจะเห็นว่าเราก็สัมผัสอย่างนั้นเราอยากได้เราสัมผัสเราเกิดสุข แล้วก็อยากได้แล้วก็เป็นอย่างที่ได้เราก็ยึดว่าที่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยพราะความยึดติดในแนวนี้จึงมีอยู่ในที่ทั้งหลายคือสาบใดที่ตัดอย่างไม่ขาดเนี่ยเป็นอาการตะเหนาุปาทานพบเนี่ยคือรู้สึกมันเป็นไอ้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเรายึดว่ามันเป็นอย่างนี <S 2> <S 2> <S <S ้แล้วก็จากเราอยากว่าเป็นอย่างนี้อยากแล้วก็ยึดยึดแล้วก็เป็นเป็นตามที่เราอยากแล้วก็ยึดว่าที่เราได้เป็นเนี่ยมันก็ได้แต่เพราะ เกิดขึ้นมาจากความอยากของเราแล้วคนจะคิดน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะมีลักษณะกลัวจะไม่ได้แล้วก็ต้องการได้ออกมากๆทำให้ไม่กล้าทำอะไรให้กระทบกระเทือนสิ่งที่ตนเคารพนับถือแล้วก็เชื่อถือว่าเป็นที่มาของผลประโยชน์เหล่านั้น ตราไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะดูคนที่ปลุกไปขอหวยอะไรต่างๆก็พระก็าพูดไปพูดมา้าก็พูดเยอะนะัวเลขสิบตัวตีไปตีมา้าก็ถูกก็คนหนึ่งเพราะเวลาถูกเนี่ยจะเล่าเป็นตุเป็นตแล้วก็ทำให้คนซึ่งไม่ถูกแต่ก็ฟังใบตรงนั้นหรือว่าได้ยินใบยอย่างนั้นมันก็ถูกชี้นำให้คล้อยตามไป แล้วก็ในที่สุดก็รู้สึกตําหนิตัวเองว่าไม่มีวาสนาเพื่อนเขามีวาสนาหลวงพ่อก็บ่ายหวยตรงๆแล้วเลยก็ไม่กล้าวิจารณ์ในกรณีที่ท่านใบ้ตั้งเยอะแต่ไม่ถูกคือพูดไปตั้งเยอะแต่ไม่ถูกทัตน์นเหล่านี้เหมือนกับพระคลังพระเครื่องคลังอะไรต่างๆแต่เราสังเกตว่า ยังไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะดูท่านอาจารย์คูณเนี่ยที่ดังมากสุดๆดเนี่ยดังสมัยที่เกิดรอยันพราาะซาถลม่มมันก็เป็นกระบวนการทางจิตที่อาศัยความเชื่อแล้วก็สะสมความเชื่อตรงนั้นเอาไว้โดยบอกว่าคนที่โรงแรมถล่มแล้วก็รอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะเขาแขวนเรียญลงพ่อคูณ แต่ถ้าเราไปดูที่ศพของคนตายว่ามีเหรียญหลวงพ่อคุณอยู่ไหมก็ต้องมีเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวนั้นแต่ว่าที่มีเนี่ยเขาไม่พูดคือถ้าพูดก็พูดว่ามันถึงที่กรรมมันมาถึงอะไรก็ป้องกันไม่ได้แต่ว่าที่ไม่ตายเนี่ยมันก็ไปยึดไปยึดโยงกับเหรียญตรงนั้นและในที่สุดเหรียญตรงนั้นก็ดัง ก็กลายเป็นที่ยึดถือต้องการของบุคคลทั้งหลายแต่วันใดที่เขาถ่ายถอนความยึดติดอย่างนั้นลงไปได้ว่าเคยเห็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชที่วัดรกุฏนห็นะสมัยนั้นท่านประชนมารสาวรู้สึก7จ็เจิบสองแล้วก็ทำเหรียญเป็นที่ระลึกแล้วก็แจกจ่ายกันไปวันนั้นเยอะ แล้วก็มีทหารเรือเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุห อ, อะไรไม่มีอันตรายมันก็พูดกันว่าพระพกเรียนเคยได้เหรียนสมเด็จมาแล้วก็พระพวกเรียนสมเด็จสุพิมก็ตีข่าวตัวไม้เลยใหญ่เบ้อยยยเร้อเลยคนก็แห่ไปล่าเหรียนกันก็หมดที่วัดมาบุดก็หมดอัตมาก็ไปได้มาเป็นที่ระลึกสามสี 4, ่สามสี่เหรียญมีคนก็มาแย่งมาขอไปแล้วก็ไม่ว่าอะไร เราเห็นว่าพอท่านเกิดอุบัติเหตุในเรียนนิสุดไปทันทีเลยนั่นคือลักษณะของตัณหาอุปาทานที่จริงมันมันมาจากอะไรผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็ปุ๊มันก่อให้รู้สึกว่าเป็นมีตัวเป็นตัวมีตัวได้ตั ว, ตวเออประสบความสําเร็จเป็นสุขอะไรต่ออะไรกระดังราะกระบวนการตรงนี้ ความเชื่อของนางสุชาดาก็กลายเป็นแบบความคิดประการหนึ่งที่น่าศึกษาถามว่าจริงหรือไม่จริงจิงไม่จริงไม่รู้แต่ท่านเชื่อว่าจริงแต่อย่าลืมว่าความเชื่ออย่างนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำความดีมันเป็นเหตุให้คนสำนึกคุณมันเป็นเหตุให้เกิดกตันอยูก่กตเวชีนออกมาในรูปของการอนุรักษ์มันก็คล้ายๆกับความเชื่อของคนโบราณที่ว่าธาตุั้งสี่เนี่ย หรือน้ำลงไฟเนี่ยมีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่เป็นแม่ประทรณีแม่ประพงค้าแม่ประโพศบเจ้าป่าเจ้าเขานะพระพายพระอะไรพระเพลิงพระพิรุณก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจากความเชื่อตรงเนี้ยทําให้เขาระมัดระวังเกี่ยวข้องกับธรรมชาติใช้สอยธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพยำเกรงแล้วก็ด้วยความสํานึกคุณมีความละเมศระไมยัยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับ อวบรวมสั่งสอนการให้สำนึกคุณของภูเขาต้นไม้ถ้ำอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเข้าไปอิงอาศัยเข้าไปพักพิงแล้วได้รับประโยชน์จากสถานที่เหล่านั้นแล้วก็ไม่ควรประทุษรายสิงหล่กนั้นเะนนั้งกล่าวไว้ในชาดกว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้รุ่งเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะว่าผู้ประทุษรายมิตรเป็นคนเลว คนสมัยนี้อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะฮะแต่ว่าตัดไม้ทําลายป่าสร้างมลพิษจะโลกปนไปหมดเลยทั้งโลกแหละคนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเราก็คิดว่าท่านโง่นะฮะแต่ก็ท่านรักษาโลกเอาไว้ได้ไม่มีปัญหาเรื่องมนุษพิษไม่มีปัญหาที่น่าเจ็บใจก็คือว่าน้ําท่วมแต่ว่าต้องซื้อน้ําดื่มเนี่ยน่าเจ็บใจมากไหมครัเพราะว่าน้ําทั่วไปเนี่ยมันดื่มไม่ได้ วันก่อนไปเดินดูที่วัดว่าปู่แก้วเบอดสูงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเห็นถ้าก็มีแท้งรองน้ำอยู่ก็ไม่มีคนก็นึกจะถามมานน้ำนี่ดื่มได้ไหมเราจะเห็นว่าอยู่ในป่าขนาดนั้นนะฮะยังมีฝุ่นเยอะเลยแต่ว่าดูที่วัดเองก็ ย, ยังดื่มน้ำขวด น้ำทิบซื้อไปแล้วก็ราคาแพงกว่าน้ำมันเลยนั้นก็คือไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครอ่ะนยก็คิดตัวเองทังความเชื่อกับนางสุชาดาที่ท่านยึดโยงเอาไว้ทั้งสองอย่างการได้ไปสู่สกุลสามีตอนอยังสาวก็ดีการไปได้บุตรชายที่เป็นหัวปีก็ดี อันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเราจะเห็นว่าเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับความเชื่ออยู่นะฮะตรงนี้ยคือการที่ผู้หญิงอยู่ในวัยแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งงานเนะี่ยเป็นที่เพ่งมองของคนทั้งหลายนะอาจจะพูดถึงคานทองอาจจะพูดถึงสาวทึมทึกอาจจะพูดถึงสาวแก่อาจจะพูดถึงโอนเม็ดอาจจะพูดอะไรมากมายแก่ก่ซึ่งแสดงใจทั้งนั้นหลยแล้วคล้ายๆกับเป็นคนร่ายคุณค่าลงไป นั้นเป็นความรู้สึกของคนบางกลุ่มไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงปรารถนาที่จะไปสู่สกุลสามีในวัยที่ยังสาวในขณะเดียวกันก็สกุลสามีก็ไม่ควรจะห่างไกลกันเพราะว่ามันจะต้องจูนคลื่นเข้าหากันได้ความโดยเฉพาะความเห็นเนี่ยต้องปรับลงกันได้แต่ความเห็นลงกันไม่ได้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ทีนี้เรื่องลูกชายเนี่ย มันเกิดขึ้นจากความเชื่อในยุคสมัยนั้นที่ถือว่าคนทุกคนนั้นจะต้องมีบุตรที่เรียกว่า บ, บุตรปุตตะปุตตะก็คือเป็นชื่อของขุมนรกลุมหนึ่งโดยก็บอกว่าคนที่เกิดมาไม่มีบุตรเนี่ยตายไปจะตกนรกที่ชื่อว่าปุตตะวังการมีบุตรก็คือผู้ที่ช่วยป้องกันแม่พ่อแม่ในตกนรกเวลาพ่อแม่ตายไปก็สามารถทำพิกรรม ที่ส่วนกุศลไปให้ได้อลองสังเกตว่าความเชื่ออย่างนี้ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะประเทศจีนขนาดเป็นคอมมอนนิสต์ไม่ยอมรับนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีาศาสนาและที่แบบแผนต่างๆพวกคอมมอนนิสต์ก็ยังได้ลูกชายยางอยากได้ลูกชายอย่นะฮะแต่อินเดียน่ไม่ต้องพูดเลยก็อยากได้ลูกชายโดยเฉพาะลูกชายที่เป็นหัวปีเป็นสุดยอดปรารถนา ก็เรียกว่าฝากผีกกกขวายกันเลยเพราะนันสุชาดาท่านสำเร็จสองประการเนี่ยก็ถือว่าสังคมก็ให้เกียรติยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุญได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีได้สถานะแล้วสถานะเดิมก็เป็นลูกสาวของนายบ้านเสนานิคมด้วยท่านก็โดดเด่นเป็นเอกมากยิ่งขึ้น ก็ในวันใกล้รุ่งวันนั้นนางก็เจเยียมหุงข้าวมาทุปายาตอันมีรถเลิศด้วยมือคนตนเองเมื่อกำลังหุงข้าวมาทุปายาตอยู่นั้นฟองใหญ่ๆปุดขึ้นไหลวนเป็นทักทิ่นาวัตน้ําโลนนั้นแม่จะแตกออกแม้จะแตกออกแม้สกิล ด, ดียวก็ไม่กระเด็นออกไปข้างนอกควันไฟแม้มีประมาณน้อยก็ ไม่ตั้งขึ้นจากเตาเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งคือน่าอาจจัศจรรย์แต่ะท่านก็บอกว่าในสมัยนั้นชาวเ ท, ท้าจะตัวโล ก, กบาลตือ ก, การรักษาที่เตาไฟเท้าพรมกั้นจัดเท้าส ก, กะทรงนำรุ่นฟืนมาใส่ไฟให้ลุกโพร่อยู่เทวดาทั้งหลายรวบรวมออโอชา ท, ที่สเมเ็จแก่เทวดาและมนุษย์ ทั้งหลายในทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารมาใส่ลงในข้าวพระญาตินั้นด้วยเทวานุภาพของตนของตนเส ม, มือนหนึ่งคันรวงพึ่งซึ่งติดอยู่ที่ท่อนไม้แล้วก็ถือเอาแต่น้ำหวานฉะนั้นคือข้อความตนนี้ในพระบาลีจริงๆไม่มีก็มีอยู่ในระดับอัตถกถาที่ว่ากันหยดย้อยอย่างนี้และส่วนใหญ่ก็เป็นอัตถกถาเป็นการแสดงให้เห็นถึง คนทั้งหลายเนี่ยต้องการจะมีส่วนร่วมส่วนร่วมในการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าในวันก่อนจะสรสรุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะถือว่าเป็นทานที่มีผลเมียนในสงฆ์มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับทานที่คนถวายก่อนจะเป็นนิพพานและในเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันเป็นปกติธรรมดาก็คล้ายๆกับในยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่า ถ้าเราไปศึกษาจากตำนานในประเทศต่างๆเช่นถ้าถือตามภูมิประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ของชาติไทยพระพุทธเจ้าก็ดูเหมือนจะเป็นคนไทยเพราะว่าศัสรุก็ที่อำเภอศรีมาโพจีโคกปีบต้นศรีมาโพที่อำเภอโคกปีบจังหวัดประจีนบุรี ไปเหยียบพระบาทไว้ที่สระบุรีไปฉายพระองค์พระรูปไว้ที่ประฉายนะไปประทับนั่งอยู่ที่พระแท่นศิลาอาดหายไปทางเมืองลับแลไปตากผ้าที่พระบาทตากผ้าไปอะไรหล่ะนี่พ่านที่พระแท่นดงรังอะไรต่างมันมีตำนานที่เกี่ยวพระเจ้านี่เยอะเลยคือคนต้องการมีส่วนแล้วรู้สึกว่าตนได้เกียรติได้สถานะที่ไปเชื่อมโยงตัวเองกับบุคคลระดับนั้นได้ จนขนาดอินเดียเนี่ยถ้าเราพูดกันในแง่ของความจริงนะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเผ่าอารยันเป็นพวกผิวขาวแล้วก็เป็นอยู่ทางเชิงภูเขาอิบานไหลสมัยโบราณ น, นั้นเป็นชมพูสวีปแน่นอนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดินแดนตรงนั้นก็เป็นในปานแต่อินเดียเขาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นนภิชาติตบุตรของอินเดียอเป็นลูกอินเดีย แล้วจนถึงกับท่านราธากฤษิณนานอดีตประธานาธิบดีของอินเดียบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่เกิดอย่างฮินดูอยู่อย่างฮินดูแล้วก็นี่ผ่านไปอย่างฮินดูเลยเพื่อต้องการเชียรผูกโยงพระพุทธเจ้าไว้กับศาสนาและก็ผอบพันของตัวเองเรามีแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มีเสียคือคนทุกคนเนี่ยต้องการมีส่วน เอาขนาดว่าพระประสบของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถามนิกโกรนี่เขาบอกพระพุทธเจ้าเป็นนิกโกรเพราะว่าผมหยิกมืองขาพวกเขาเขาก็ว่ากันไปสนุกทางนั้นนไปดูที่พม่า ก, ก็ดีมอนก็ดีจะมีตำนานที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าทางนั้นแม้แต่ท่านตาปุสกา พ, พันลิกะเนี่ยพม่าเขาบอกว่าเป็นชาวพม่ า, มาชาวเมืองสะเทิร์มนะเลยแสดงว่าพวกชาวพม่าถวายอาหารแกร่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกในโลก ตอนเป็นผู้จา่าในถวายคนแรกในโลกดัง น, นั้นแนวตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นการพูดที่แถมปาฏิหารเข้าไปซึ่งจะจริงเท็จยังไงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของหนังสุดฉาแต่ว่าท่านเองก็งะนะทึ่งนะฮะท่านเองก็ทึ่งมากเพราะว่าตอนนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยสวยงามมากแล้วก็เป็นราศีที่พระชวีวันผ่องใสรุ่งเรือง เหมือนก็จะมีรัศมีออกมาก็สองราตรีเหมือนกันผิวพัรณพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสดใสสองวันคือวันก่อนที่จะศัสรูกับวันก่อนที่จะไป น, นิพพานเพราะในกณ์ต่างๆนี่แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกันทั้งหมดปรากฏการของข้าวมาทุ ป, ปายาตก็มีลักษณะที่แปลกในความรู้สึกของท่านแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า ตามปกติแล้วเนี่ยพระเทวดาทั้งหลายเนี่ยใสโอชะลงในคำข้าวของพระโพธิสัตว์แต่ในวันที่บรรลุสัมโพธิญาณและวันปรนิพันธ์นะใส่ลงในหม้อเลยทีเดียวแล้วก็อะไรล่ะเพราะว่าโดยแง่ของความเป็นจริงเราก็ไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ะนะเพราะว่า หังจะกตัดสรุปสี่สิบแปดสสิบเก้าวันเนี่ยไม่ได้เสวย อ, อะไรเสวยข้าวมันทุกปลายาสี่ิบแปดคำแต่นั่นเองแต่ก็อยู่ได้นางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์ไม่ใช่น้อยซึ่งปรากฏแก่ตนนะ้ที่นั้นในวันเดียวเท่านั้นจึงเรียกนางปุณณาสีมาพูดว่านี่แน่แม่ปุนาวันนี้เทวดาของพวกเราน่าเลื่อมสายยิ่งนักเราไม่เคยเห็นความอัศจรรย์เล่นแบบนี้เธอจงรีบไปกวาด เทวสถานโดยเร็วนางปุณณธาศสีรับคำแล้วก็รีบด่วนไปยังโคนต้นไม้นั้นก็อย่างที่เคยบอกไว้บันก่อนว่าต้นไม้เหล่านี้ต้นโพต้นไซต์ต้นอะไรต่ออะไรมันมีลักษณะเป็นเจเวดคือเป็นต้นเป็นต้นไม้เป็นเจ้าป่าเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่นทรงนั้น แล้วก่อนที่จะสว์รู้นั้นพระโพธิสัตว์ไปประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นอัจชปาลานิครอคือต้นไทรเป็นที่เลี้ยงแพะเป็นที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มี ม, มีแท่นมีแท่นเป็นเจวิตสหรับตั้งสักการ บ, บูชาของทั้งหลายของคนที่เคารพนัถือต่อเท พ, พเจ้าประจําต้นไทรเนี่ยพระโพธิสัตว์ ก็ถือว่าปฏิวัติความเชื่อยุคสมัยเดก็เสด็จไปประทับนั่งในสถานที่ที่คนเคารพเทิดทูนสูงสุดตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์นะยังไม่ได้จัสโรแต่ก็ไปประทับนั่งในที่ที่คนในถินนั้นให้การเคารพนับถือแต่ว่านางสุชาดามาถึงมันก็ไม่ไม่ได้มองเห็นว่ารงเป็นคนนะจะมองเห็นเป็นเทวดา วันปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนที่เคารพนับถือจึงไม่เกิดขึ้นต้องฝังทั้งหลายแต่รมประพวญญานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงคานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไยบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี